อัชญานุโลม2 ส, สังคยาวาระสุททนนย22เหตุปัจจัยมี37วาระอารัมณปัจจัยมี21วาระอธิปฏิปัจจัยมี23วาระอนันตระปัจจัยมี21วาระสมนันตระปัจจัยมี21วาระสหาชาตปัจจัยมี37วาระอัญญมัญญปัจจัยมี28วาระ นิสยปัจจัยมีิบเจ็วาระอุปญนิสยปัจจัยมี่สเอ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยมีสิบอดวาระอาเสวะนปัจจัยมีสิบเอดวาระกรรมปัจจัยมีิบเวาระวิปากปัจจัยมีิบเจ็วาระอาหาราปัจใจมีสมสิบเจ็วาระอินทริยปัจใจมีสมสิบเจ็วาระชานะปัจใจมีสมสิบเดวาระ H, 21, 37, bers, ม strom, ัคคะปัจจัยม um ีสาสิบเจ็ดวาระสำปรยุตตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระวิปยุตตปัจจัยมีสาสิบเจ็ดวาระอธิปัจจัยมีสามสิบเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระวิคตปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระอวิคตปัจจัยมีสามสิบเจ็ดวาระทุกะในอรามณปัจจัยกะเพตุปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระ อวิคตาปัจจัยกระเพือตุปัจใจมีสามสิบเจ็ดวาระย่อพึงนับเหมือนการนับในกุสลติกะอนุโลมจบสองปัจญยะปัจญี่ยะหนึ่งวิพังฆวาระนเหตุปัจจัยี่สิบสามสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเ พ, นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรดด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรกรดด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรดด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่วิตกอาศัยขันธ์ที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตตุกะ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 และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและวิตกอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นขันธ์สองและวิตกอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามวิตกและจิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะยี่สิบสสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร เกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตก e, และว ницы, ิจารณ์อ า, า sin, ศัยวิตกที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอหตตกะขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยวิตกเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจชาและที่สหรโคด้วยอุทจจะมาศัยวิตกที่สัหรโคด้วยวิจิกิจชาและที่สหรโคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์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 ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณและจิตตสมุทานารูปอาศัยวิตกที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารณและกระตัตตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะ ซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นมหาภูตรูป 3, าสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาจารย์ศยศรรตะพรม อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งกระตัดตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เกิดขึ้นเพราะในเหตุัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันที่มีทั้งวิตกวิจาร์และวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุุขะครั้นที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพรา ะ, ะน่เหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองและหะไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์เกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะวิตกอาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที كم, ่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะอะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานนรูปอาศัยขันที่เป็นอะเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 เพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสามละวิตกอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยหาทัยวัตถุเกิดขึ้นขันสองละวิตกอาศัยขันสองและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกตัดตารูปอาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยีสิบสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์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 จิตสมุทฐานรูปอาศัยวิตกที่เป็นอเหตุกะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะประตัดตาราูปอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่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 และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกวิจารณ์และอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สองและวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะยี่สิบปด สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์เกิดขึ้นเพราะแนืเหตุปัจจัยได้แแในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยวิตกและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองวิตกและหาไยวัตถุเกิดขึ้น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 อาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยวิตกและมหาโพธิโรกเกิดขึ้นณอารมณะปัจจัยยี่สิบ้าสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เกิดขึ้นเพราะน้าอารมณะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะน้าอารมณะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นจิตจสมุทฐานรูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูปอาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยวิจารณเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาศัยสัตวพรมอา ศ, าศาัยมหาภูตรูปหนึ่งสาสสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะน่าอรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และอา ศ, าศาัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 เกิดขึ้นเพราะหน้าอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปฎิธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะหนอธิปติปัจจัยได้แก่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 เพราะนอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยวิจารเกิดขึ้นขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยวิจารที่เป็นวิปากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะและถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารมีเจ็ดวาระส3สาอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารมีเจ็ดวาระ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 และอาศัยวิจารณ์ย่อณอันันตระปัจจัยเป็นต้นสามสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะณสมณันตระปัจจัยเพราะณอัญญามัญญาปัจจัยเพราะณอุปานิสยปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับณอารมณปัจจัยณปุเรชาตปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปราวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยวิจารณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 เกิดขึ้นเพราะหนอาศัวณปัจจัยได้แก่ละถึงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ย่อสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะหนอาศัยวณปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ย่อในหน้าอาศัวณมูลกะใน เมื่อรวมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เข้ากับวิปากพึงทำให้เหมือนกับนโปเรชาตปัใจอันหนึ่งเมื่อรวมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์เข้ากับสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็พึงแสดงวิปากไว้ด้วย